เราก็คงทราบดีอยู่แล้วว่ารอบๆตัวเรามีเชื้อโรคมากมายแม้แต่ตามผิวหนังของเราก็มีเชื้อโรคเยอะแยะแต่ทำไมส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้เป็นโรคหรือว่าติดเชือ้อ ทั้งๆที่บางทีก็อาจจะหายใจเข้าไ ป, ไปกินเข้าไป <S <S เดี๋ยวนี้เราก็รู้ดีว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานเชื้อโรคในร่างกายเรา <S 1> <S 1> ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นจากการที่ได้สัมผัสกับเชื้อโรค แล้วก็จำได้นะพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันเขาจะจำเชื้อโรคแต่ละชนิดแต่ละชนิดที่เข้ามาได้ตอนที่เจอครั้งแรกก็ไม่เคยรู้จักก็อาจจะป่วยแต่พอได้เจอครั้งครั้งหนึ่งแล้วก็จะจำได้พอเจอครั้งที่สองครั้งที่สามก็ เชื้อโรคนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เว้นแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแปลงร่างที่เขาเรียกว่ามันมันกลายพันธุ์นะอย่างเช่นโรคหวัดแต่ส่วนใหญ่แล้วนะเราจะมีภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันนี้ก็ต้องเกิดจากการที่เราได้ไปสัมผัสเชื้อโรค เพราะฉะนั้นการที่ไม่สัมผัสเชื้อโรคเลยก็ไม่ใช่ว่าดีนะการที่ร่างกายเราไม่ได้สัมผัสเชื้อโรคเลยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเมื่อเทียบกับคนที่เขาได้มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคมีคนก็ทําวิจัยพบ ว, ว่าเด็กเล็กๆ เ, เ, เ, เนี่ยที่ไปเรียนไปอยู่ตามสถานเลี้ยงเด็กอนุบาลที่เรองนสเซอรี่เนี่ยมีเด็ก เ, อเยอะๆกันหลายคน เด็กเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเป็นหวัดหรือติดเชื้อหวัดเนี่ยหนึ่งในสองเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ในบ้านไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรคจากเด็กคนไหนเลยนีมีโอกาสเป็ น, เ ป, นเป็นหวัดมากกว่าเด็กในเนอร์เซอรี่ถึงเท่าตัวเด็กที่อยู่ในเนอร์เซอรี่ก็นอกจากนั้นยังมีโอกาสเป็นเป็นโรคหอบืชหนึ่งในสาม เมื่อเทียบกับเด็กที่เลี้ยงดูอยู่แต่ในบ้านที่พ่อแม่คอยปกป้องงดมดูแลไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคไม่ให้สัมผัสรลอพบปะกับคนที่อาติดเชื้อเลยฉนั้นเด็กที่อยู่ในเนอร์เซอรี่อยู่ในโรงโรงโร ง, งเรียนนะที่มีเด็กมากมายปะปนนี่หมอนในงานก็ถือว่าดีนะเพราะว่าจะทำให้เขาได้มีภูมิคุ้มกัน แล้วเขยังเปรียบเทียบ ว, ว่าเด็กที่ครอบครัวที่มีลูกหลายคนมีพี่มีน้องเด็กในครอบครัวนั้นมีโอกาสติดเชื้อเป็นหวัดเนี่ยหนึ่งในสามเมื่อเทียบกับเด็กที่เป็นลูกโทนนะอันนี้ก็แสดงเห็นว่าการที่ได้สัมผัสเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เวลวร้าย เสียทีเดียวนักมันก็มีประโยชน์ก็คือทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในเชื้อโรคแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการการได้สัมผัสเชื้อโรคนี่ก็ถือว่าเป็นของดีมีข้อดีอยู่คนที่เคยเป็นโรคพยาธิลำไส้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรค ล, ลาไส้อักเสบนี่น้อยมากเดีย๋ยวนี้โรค ล, ลำไส้อกเสจเป็นเงินเยอะ อาจจะเป็นเพราะว่าอนามัยจัดมากเกินไปไม่ค่อยเป็นพยาแยกกันเท่าไหร่ก็เลยเป็นโรคโรคลํลลาไส้อักเสบกันมากเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเด็กที่ที่อยู่ในสถานที่ที่มันสะอาดมากเกินไปหรือสะอาดมากๆเนี่ยจะเป็นโรคหลายอย่างที่สมัยก่อนอาจจะไม่เคยเจอเช่นโรคมือเท้าปา่าอันนี้ก็สันนิษฐานว่าก็จะเกิดจากการที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน เมื่อเที่ยวกับเด็กที่เขาเล่นกับดินเล่นกับทรายพ่อแม่สมัยนี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกเล่นแบบนั้นเพราะว่ามันสกปรกแต่ไม่ได้รู้ว่าข้อดีมันก็มีคือว่าทําให้ได้สัมผัสกับชื้โลกแล้วก็เลยมีภูมิคุ้มกันคนเรานอกอยังมีภูมิคุ้มกันชื้อโรกแล้วนี่ควรจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ด้วยนะ เดี๋ยวนี้เรามีภูมิคุ้มกันเชื้อโรค ก, กันเยอะแต่ว่าภูมิคุ้มกันความทุกข์ไม่ค่อยมีนะพอเจอความทุกข์เจอสิ่งที่ไม่สมหวังเจอความสูญเสียพัดพรากไม่ถูกใจก็ก็เป๋กันนะเลยเนรนาตนะที่ฆ่าตัวแตกกันเยะแยะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าขาดภูมิคุ้มกันความทุกข์ขาดภูมิคุ้มกันความไม่สมหวังเพออราะหลายก็เพราะว่า ไม่เคยได้เจอความไม่สมหวังชีวิตมันสบายเกินไปได้ทุกอย่างที่ต้องการเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงลูกล ก, ก็พยายามที่จะปนเปื้ทุกอย่างลูกอยากได้อะไรก็หาให้อาจจะพ่อชดเชยเพราะแม่ไม่ค่อยมีเวลาพ่อไม่ค่อยมีเวลากับลูกเพราะฉะนั้นก็ชดเชยด้วยกันให้สิ่งที่ลูกอยากได้ซึ่งมักจะเป็นวัตถนะุนั้นสะดวกสบายมากไปนะ มันก็เลยขาดภูมิคุ้นกันความทุกข์ตั้งแต่เล็กถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขทุกยากสุขง่ายทุกยากนี่ต้องพยายามพัฒนาภูมิคุ้มกันความทุกข์ขึ้นมาให้ได้ส่วนหนึ่งก็ด้วยการที่ไปเจอความยากลำบากเสียบ้างเมื่อไปเจอความยากลำบากเราก็จะคุ้นเคยกับความยากลำบาก กเป็นเรื่องธรรมดาพอเจอความยากลำบากครั้งต่อๆไปก็เฉยถือว่าเป็นสบายเป็นเรื่องสบายซะอีกนะคนที่ไม่เคยเจอความเหงาก็ยากที่จะมีภูมิคุ้มกันความเหงาก็ต้องไปเจอความเหงาบ้างนะอย่าไปกลัวอย่าไปหนี ใครที่อยากจะมีภูมิคุ้มกันความพัดพลาดสูญเสียก็ต้องเจอบ้างหรือเจอ บ, บ่อยๆจนกระทั่งจับทางได้นะคนที่เจอความพัดพลาดสูญเสียไ บ, บ่อยเนี่ยบางทีเขาก็หัวเราะเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวมองว่าเป็นโชคซะอีกนะเพราะว่าเจอความผิดหวังเจอความพัดพลาด บ, บ่อยๆ ได้เคยไปขึ้นเวทีอภิปรายกับซ e o ของร้านอาหารสุ ก, กี้ชื่อดังที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเป็นร้อยรยเครือเป็นร้อยๆอยร้านเ อ, อยชื่อก็คงรู้จักในช่วง19บุพฤษภาเนี่ยปรากฏว่าร้านสุ ก, กี้ของเขาเนี่ยมันถูกเผาประมาณสัก สามสกว่าแห่งได้คงไม่ได้เจาะจงเผาแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในย่านศูนย์การค้าก็โดนลูกค้าพวกเจ้าหน้าที่ก็มีความทุกข์ใจนะว่าโอยร้านของตัวเองถูกเผากันเยอนะแยะแต่ว่าซีโอคนนี้ซึ่งก็เป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าของอยู่ด้วยก็นะมีเขาเป็นก็เป็นเจ้าของอยู่เขาบอกเขาไม่ทุกข์เลย เพราะว่าเขาต้องสามสิบสามร้อยกว่าสาม้อยกว่าล้านแล้วนะแค่ถูกเผาแค่สามสิบล้านนี่มันจะเป็นอะไรไปนะยังเลยต้องสามร้อยนะก็ไม่ทุกเลยนี่เพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยเจอความสูญเสียมาเยอะแล้ล้านถูกเผานี่ก็ไม่ได้ทุกบร้อนอะไรถ้คนที่ไม่เคยเจอความสูญเสียแบบนี้ก็จะทุกนะแล้วพวกเราถ้าว่าต้องการ มีชีวิตที่ผาสุขก็ต้องควรพาตัวเองเข้าไปหาความทุกข์บ้างนะไอ้ที่เรามาที่นี่หลายคนอาจจะบอกว่ามันลำบากมันไม่สบายก็ให้มองเสีย ว, ว่ามันเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ให้กับเราต่อไปแม้จะมีความทุกข์ความพัดพราดสูญเสียอยู่รอบตัวแต่ว่ามันก็ทำาอะไรเราไม่ได้ทาอะไรจิตใจเราไม่ได้มันก็เชื้อโรคที่มีอยู่ทั่วไปหมด แต่ว่าก็ไม่ทำให้เราล้มป่วยเพราะเรามีภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันความทุกข์นี่ส่วนหนึ่งก็อาศัยการที่เราได้เจอความทุกข์ความยากบ่อยๆเราก็จะฉลาดจักทางได้นะเจ็บป่วยก็เราก็รู้แล้วเออก็แค่พักผ่อนมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้จิตใจเรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ได้ก็คือสตินะสติเนี่ยนะ มันมันมีค่ามันมีอนิสงส์งมากกว่าที่เราเข้าใจเร า, าคิดว่าเรามีสติอยู่กับตัวแล้วเพราะเราไม่สลบทลายไม่ไม่ละ เ, เมอก็คือว่ามีสติแต่ว่าสติที่เรามีมันยังไม่พอเวลาคนรอบข้างเรามีความทุกข์มีความโกรธคนส่วนใหญ่ก็จะซ่มซับรับเอาความโกรธนั้นเข้ามาไว้ในใจ เจอคนเครียดเราก็รู้สึกเครียดตามเจอคนโกรธล้วก็โกรธตามแลนะความโกรธนี่มันมันมันแพร่กระจายสู่ผู้คนได้ไม่ต่างจากเชื้อโรคนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพบว่ามันมีความรู้สึกหลายอย่างที่สามารถจะแพร่ไปสู่คนอื่นได้รวมทั้งความเหงาด้วยนะมีคนเขาทำศึกษากันหลายปีทีเดียวในในเมืองเมืองหนึ่ง นะแล้วก็สรุปมาว่าเมื่อคนหนึ่งเหงาสมมุติว่าชื่อกอโอกาสที่ขอซึ่งอยู่ซึ่งเป็นเพื่อนกอเนี่ยจะเหงาเนี่ยมี50อร์ซมีโอกาสเหงา50เซแล้วคอซึ่งอยู่ใกล้ขอเป็นเพื่อนขอก็มีโอกาสเหงา25่สาอร์เซ็นไมเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเขาสรุปจากการวิจัยการสอบถาม ความรู้สึกและใช้เวลาหลายปีแต่เขาไม่ได้ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็ทําหลายเรื่องแล้วก็ข้อมูลก็ออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องเขาก็อธิบายงี้ว่าเมื่อกองเหงาก็กอไม่มีความสุขกอเจ้าก็จะแสดงอาการที่ไม่ค่อยน่ารักกับขอเช่นไม่พูดไม่จากับขอมึนตึงอารมณ์เสียกับขอขอก็ ขอก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้กอขอก็เลยหนีห่างจากกอไม่อยากเข้าใกล้แต่ขณะเดียวกันขอเนี่ยก็รับอารมณ์ที่ไม่ดีจากกอ<ต>ก็ไปแสดงออกกับคอคอก็เจออารมณ์ไม่จอยของข อ, ขอเจอพฤติกรรมที่ไม่ค่อย น, าน่ารักของขอขอข อ, ขอก็เลยหนีห่างจาก จากขอองงไหมขอกับคอเนี่ยก็เป็นนั้นว่าเมื่อกออารมณ์ไม่ดีป ร, ประพฤติไม่ดีกับขอไข่ขอไข่ก็หนีห่างก็ทำให้กอนิเงามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันขอไข่เนี่ยซึมซับรับเอาอารมณ์ไม่ดีของกอไก่ก็ไประบายแสดงออกกับขอควายขอควายก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้ก็เลยชิ่งออกขอไข่ก็เลยรู้สึกเหงากว่าเดิม คอคควายรับอารมณ์ไม่ดีจับขอไข่ก็ไปแสดงออกกับงองูงองูก็เลยตีจางคอควายก็เลยเหงาบ้างเราะงความเหงานี่มันกระจายเป็นเป็นระลอกรล ะ, ละลอกแต่ในในระดับที่เจือจางลงกอเหงาขอก็จะเหงา50ซแล้วคอก็จะเหงา25เอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่กระจายสู่กันได้แบบนั้น เช่นความโกรธความเครียดถ้าพูดก็คือว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเขาไม่มีภูมิคุ้มกันความเหงาไม่มีภูมิคุ้มกันความเครียดคือไม่มีสติไม่มีสติคือว่าพอเจอใครที่โกรธเราก็รู้สึกโกรธรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกลบตามทําไมถึงเกิดขึ้นได้ก็เพราะเราไม่มีสติที่จะรู้ทันความ ความโกรธหรือว่าความเครียดที่เกิดขึ้นก่อโกรธไม่ใช่ว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นขอเนี่ยจะโกรธตามไปด้วยหรือว่าจะขุนเคืองใจตามไปด้วยไม่จําเป็นเราถ้าเรามีสติสตเราก็เออเขาโกรธก็โกรธไปเราก็ให้อภัยเขาหรือว่าเขาโกรธก็โกรธไปเราก็ไม่โกรธด้วยเพราะว่าเรารู้ทันอารมณ์กระเพื่มที่เกิดขึ้นในใจสติเนี่ยมันจะเป็นตัวขวางกันไม่ให้ความโกรธจากกอหรือว่า ความเครียดจากกอนเนี่ยเข้ามาสู่เรานะสติเป็ น, เ, ปนเขาถึงเปรียบว่าเปรียบเสมือนกับเป็นเป็นยามเฝ้าประตูไม่ให้ศัตรูไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยเข้ามาได้คนทุกวันนี้เนี่ยรับเอาความทุกข์ความเครียดจากคนรอบตัวมาตั้งแต่เจ้านายภรรยาสามีก็พอเหตุนี้ เราซูมซับ ร, รับกันมาเรื่อยๆบางทีลูกก็ซูมซับ ร, รับจากพ่อนะพ่อพ่อบางคนเนี่ยทุบตีแม่ลูกก็ช็อกลูกก็เครียดลูกก็ละเมอฝันร้ายไม่อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอลูกโตแต่งงานลูกก็ทำอย่างนั้นกับภรรยาก็คือซูมซับ ร, รับเอาความก้าวร้าวของพ่อเนี่ย มาใส่ไว้ในใจแล้วก็ระบายออกกับคู่รักของตัวเท่านั้นที่ตัวเองไม่ชอบที่พ่อทําอย่างนั้นกับแม่แต่ตัวเองก็ทําอย่างนั้นกับภรรยาแล้วลูกเขาก็จะมีความทุกข์แล้วลูกเขาก็จะไประบายกับเพื่อนลูกที่เห็นแม่เห็นแม่ถูกตีโกรธเสียใจผวาแต่พอไปโรงเรียน ก็ไประบายกับเพื่อนไล่เตะเพื่อนต่อยเพื่อนนะคือไม่ต้องรอให้โตแต่งงานแล้วถึงค่อยไประบายกับภรรยาที่จริงไประบายกับเพื่อนในวันรุ่งขึ้นทันทีเลยนน่นความก้าวร้าวนี่มันก็ถ่ายทอดกันได้จากพ่อมาสู่ลูกจากลูกสู่เพื่อนบางทีจากพ่อสู่แม่จากแม่สู่ลูกลูกก็ระบายไปกับ หมาหมาก็ระบายกับแมวแมวระบาแมวก็ระบายกับหนูนะมันติดเชื้อกันได้เพราะอะไรก็เพราะขาดภูมิคุ้มกันไม่มีสติงั้นพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการไม่ต้องกา ร, การโกรธไม่ต้องการเครียดไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการเหงาเราก็ต้องพยายามฝึกสติเอาไว้ พอสติจะเป็นด่านที่ป้องกันไม่ให้ไอ้ความโกรธความทุกข์ความเครียดความเหงารอบตัวเราเนี่ยมันเข้ามาสู่ใจเราได้รอบตัวเราทุกข์ไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์เสมอไปเรามีเจ้านายที่แย่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องแย่เพราะเข้าเสมอไปเรามีเพื่อนที่ก้าวรา้าวก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องก้าวรา้าวหรือว่าทุกข์ตามอย่างเพื่อนนะ ถ้าเกิดว่าเรามีสติซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันจิตที่ดีมากแต่ทุกวันนี้เราละเลยกันแล้วเราก็ไม่รู้ทันใจของเราเองเราได้แต่เพ่งโทษว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีเจ้านายไม่ดีเจ้านายขี้โมโหสามีขี้โมโหภรรยาขี้บน่นเสร็จแล้วเราก็ซึมซับรับเอาพฤติกรรมนิสัยอย่างนั้นมาจากเขา โดยที่เราไม่รู้ตัวเราว่าเขาขี้นินทาแต่เราก็ลืมดูตัวเราเองว่าเราก็นินทาเหมือนกันยิ่งเขานินทาใส่เราเราก็ยิ่งนินทาตอบโต้ใส่เขาเราไม่ชอบที่เขาทำกับเราแต่เราก็เอาเขาเป็นครูเราไม่ชอบที่เขามาว่าเราแต่เราก็เอาเขาเป็นครูก็คือว่าเขากลับก็คือว่าเรารับเอานิสัยไม่ดีของเขามา นะแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าแม้เขาจะไม่ทํากับเราเขาทำกับคนอื่นเราก็ซึมซับรับมาได้เหมือนกันนี่เพราะขาดภูมิคุ้มกันนะเพราขาดสติถ้าเรามีสติสติมันจะเป็นตัวบอกตัวชี้เลย ว, ว่าจิตกระเพื่อมแล้วนะเราจะรู้สึกเลยว่ามันเราจะรู้สึกถึงถึงพลังอะไรบางอย่างที่ไม่ดีพลังฝ่ายลบที่แผ่ออกมาจากคนรอบข้างเนะช่นหลังสีลอมหิจจาก เจ้านายเราก็รับรู้ได้แต่รับรู้แล้วเนี่ยถ้าไม่ทันก็จะซึมซับรับเข้ามาแต่ถ้าเรามีสติเราก็รู้เราทันต่อจิตที่กระเพื่อ ม, มก็วางได้เพนะราะฉะนั้นเนี่ยสติเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากที่เรามาปฏิบัติกันในวันนี้เนี่ย<ม>อย่าถือว่าเป็นการเสียเวลาอย่าถือว่ามาลําบากนะแม้แม้แม้ว่ามันจะลําบากก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความลําบาก แต่ประโยชน์ที่เราจะได้มากกว่า น, นั้นถ้าเรามีสติเราก็จะมีภูมิคุ้มกันไม่ให้อารมณ์อกุศลเข้ามาคล้องกับจิตใจได้ใครจะทุกข์ก็ทุกข์ไปฉันไม่ทุกข์นะใครจะเครียดก็เครียดไปฉันไม่เครียดฉันจะไม่รับเอาความเครียดของใครมาเพราะว่าฉันมีภูมิคุ้มกันแล้วนะอันนี้หละคือวิธีการของผู้ฉลาดนะเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนพวกเราให้มาร่วมกันนะสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ ให้แก่จิตใจของตัวเองให้มากๆด้วยการฝึกเจริญสติก็ <c oughs> คำนี้ก็ขอพูดเท่านี้เพราะว่าท่านเถี่ยต้องเดินทางต่อนนะก็แล้วก็อากาศภาพพร้อมกันเลย